บทที่เจ็ดสิบสี่สมภานมดหลวงพี่พรุ่งนี้จะไปซื้อทองที่บางกอกนิมนต์หลวงพี่ไปเที่ยวด้วยนะครับ นายหล่อมานิมนต์ถึงกุฏิที่พักตอนสายวันหนึ่งทองที่เมืองสิงห์ไม่มีแล้วหรือเอง็งถึงต้องไปซื้อที่บางกอกพระเจริญถามเป็นธรรมเนียมของคนบ้านนอกที่นิยมไปซื้อทองในเมืองกรุง ม, มีครับแต่คุณภาพมันคงสู้ของบางกอกไม่ได้เขาเล่าเลือกันว่าจะซื้อทองต้องยี่ห้อโต๊ะกังยวรราช หลวงพี่ไปเป็นเพื่อนผมหน่อยนะครับเอ็งไม่มีเพื่อนหรือทำไมไม่ชวนเจ้าเชี่ยวกับเจ้าชานไอ้สองคนมันไปนะสิครับผมถึงได้อยากให้หลวงพี่ไปด้วยจะได้พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งถ้าเช่นนั้นก็ต้องไปเรียราไรด้วยเอรู้ว่าข้าจะได้พบคนอุปถมัมภ์เพราะนี่ก็หมวดมาได้ห้าพรรษาแล้ว ท่านนึกถึงคําทํานายของหลวงพ่อสุกวัดมาขามเท่าครั้นนึกได้ว่าวันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้เป็นวันทําบุญศาสตร์จึงบอกในหล่อว่าสงสัยข้าจะไปไม่ได้เสียแล้วพรุ่งนี้ตรงกับวันศาสตร์ท่านเข้าใจว่าไปเรือซึ่งจะต้องค้างคืนอย่างน้อยสองคืนได้สิครับผมกําลังจะบอกหลวงพี่ว่า ผมซื้อรถสองแถวมาคันหนึ่งใหม่เอี่ยมเราไปเช้าเย็นกลับก็ได้ออกจากที่นิตีสีกลับถึงวัดคงไม่เกินสี่ทุ่มผมรับรองว่าหลวงพี่กลับมาทันทาบุญศาสตร์แน่นุมเมืองสิงพูดอย่างมั่นใจถ้าเช่นนั้นขอให้ข้าบอกท่านสมภารก่อนนะดีเหมือนกันจะได้ถือโอกาสไปเยี่ยมคนที่เขาเคยมีพระคุณต่อข้า ท่านนึกถึงจอมพลแปลกและครูสอนศิลปะบรรเลงตลอดจนญาติพี่น้องที่บ้านสามกระไดหลวงพี่ไม่อยากรู้หลักครับว่าผมจะซื้อทองไปทำไมในหล่อถามท่าทีกระยิมยิ้มย่องตั้งใจจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแต่ก็เกรงว่าท้องจะแตกตายเสียก่อนจึงต้องเรียนให้หลวงพี่ที่เคารพรับรู้ ข้าไม่รู้หรอกว่าจะรู้ไปทำไมเพราะไม่เคยซื้อทั้งทองทั้งเพชรมีแต่เขาให้มาท่านหมายถึงโยมยายและแม่ประยงซึ่งคนแรกให้ทองคนหลังให้เพชรแม่หลวงพี่แล้วก็อยากรู้หน่อยก็ไม่ได้เขาต่อว่าเอาเถอะเอาเถอะในเมื่อเองอยากจะบอกก็บอกมาถึงข้าไม่อยากรู้ แต่ก็จะพยายามฟังเพราะสงสารเองสงสารผมเรื่องอะไรล่ะหลวงพี่คนอย่างผมไม่ต้องให้ใครมาสงสารมีแต่คนอิจฉาในความโชคดีของผมโชคดียังไงก็ผมกาลังจะแต่งงานนะสิครับผมจะไปซื้อทองมามั่นสาวรับรองว่าหลวงพี่ต้องอิจฉาผมแน่เพราะว่าที่เจ้าสาวของผมนะ่ะทั้งสวยทั้งรวย ใครนอที่โชคร้ายมาหลงรักเองท่านยาวโชคดีตังหากแม้ผมเป็นคนดีนะครับหลวงพี่แถมรูปร่อพ่อรวยนุมในบางเนี้ยไม่มีใครสู้ผมได้ในหล่อคุยโวเองหล่อแต่ชื่อเท่านั้นแลส่วนรูปร่างหน้าตาข่ากินขาดเองสู้ข้าไม่ได้หรอก พระหนุ่มแกล้งคุยทัพครับครับผมยอมให้หลวงพี่หลอกกว่าแต่ถึงจะหลอกกว่าหากก็ไร้ความหมายเพราะหลวงพี่เป็นพระสรุปแล้วผมมีภาษีกว่าไม่เช่นนั้นแม่ประยงจะรักหรือได้ชื่อว่าแม่ประยงพระหนุ่มถึงกับใจหายว่าหากก็ชั่วเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเพราะสมณสัญญา ควบคุมอยู่แม่ประยงลูกสาวโยมนวนหน่ารึท่านกลั้นใจถามก็ใครเสละหลวงพี่เห็หรือยังครับว่าผมหน่ะโชคดีขนาดไหนแม่ประยงเธอเข้าสูตรของผมทุกอย่างสูตรอะไรของเองสูตรเลือกคู่ครับรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชาพ่อตาแม่ยายโง่ เขาว่ายมนวลแกไม่โง่นะไม่งั้นจะเป็นเศรษฐีได้หรือผมหมายความว่าแกงโง่กว่าผมนักครับถึงได้ยอมยกลูกสาวให้ถ้าแกฉลาดแกต้องยกให้หนุ่มที่เขารวยกว่าผมเช่นหลวงพี่เป็นต้นพระหนุ่มสะดุ้งนิดนึงรีบบอกฝ่ายนั้นว่าเองอย่าพูดให้ข้าต้องอาบัต แม้ผมแกล้งล้อเล่นเท่านั้นหลวงพี่คิดมากไปได้งั้นผมลาล่ะครับพรุ่งนี้ตีสี่ผมจะอรถมารับพูดจบก็กล้มลงกราบสามครั้งแล้วลุกออกไปพร ะ, จะเจริญมองตามหนุ่มผู้โชคดีรู้สึกโล่งใจที่แม่ประยงจะแต่งงานท่านจะได้ไม่รู้สึกผิดหวังเพราะหล่อนอกหักมาจากท่าน จึงครองตนอยู่เป็นสาวทึนทึกจะว่าไปแล้วในหล่อก็เป็นคนดีคงจะทําให้หล่อนมีความสุขได้แต่ที่สำคัญคือท่านจะให้ในหลอรู้ไม่ได้ว่าแม่ประยงเคยหลงรักท่านถึงกับยอมมอบแหวนเพชรเมร็ดงามให้วงหนึ่งตั้งใจว่าจะเก็บแหวนวงนี้ไว้ก่อนแล้วจึงหาทางคืนให้ลูกหลานของร่อนในโอกาสต่อไป เกือบผ้าทุ่มในหล่อจึงพาพระเจริญมาส่งที่กุติพระนุมเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหากก็โล่งใจที่จะได้ลงมือสร้างโบสถ์เสียทีวันนี้ท้ายได้ปัจจัยมาเต็มย่านด้วยความเอื้อเฟื้อของครูสอนศิลปะบรรเลงซึ่งบัดนี้ได้รับโปรดกล้าวพระราชทานบรร ด, ดาศักดิ์เป็นหลวงประดิษฐ์ไพเราะ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 สมทบมาหพันพวกขระราชบริพารสมทบมาอีกคนละร้อยสองได้ปัจจัยมามากมายก่อนกลับในหล่อและพักพวกจึงมีทั้งโยมผู้หญิงและโยมผู้ชายได้พากันไปซื้อทองที่ห้างโต๊ะกลงเยาวราชท่านยืนรอยอยู่หน้าร้านเพราะไม่ต้องการผิดวินัยด้วยสถานที่นั้นเป็นอโคจรอันหมายถึงที่ที่ภิกษุ ไม่ควรไปท่านยืนรออยู่หน้าร้านสักพักเจ้าของร้านก็มานิมนต์ให้เข้าไปชั้นน้ำชาแล้วท่านก็รู้ว่าเจ้าของร้านคือเจคบกบุคคลผู้นี้เคยถูกท่านแกล้งอย่างสาหัสสาการสมัยท่านเป็นเด็กเมื่อรู้ว่าพระหนุ่มคือเด็กเกเรคนนั้นเท่าแก่บกคงจะถือโอกาสแก้แค้น จึงใช้ถ้อยคำที่ฟังแล้วช่างบาดลึกเข้าไปในหัวใจและท่านคงจะจดจำไปจนตลอดชีวิตแม้ว่าแกจะพูดภาษาไทยไม่ชัดแต่ท่านก็เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งทุกถ้อยคาท่านบวชก็ดีแล้วว่าจะขอร้องว่าให้ท่านบวชตลอดไปอย่าได้สึกออกมาด่าเจ๊กอีกในถ้าแกไม่ทําบุญมาถึงสองพัน ท่านคงเจ็บมากกว่านี้สงน้ำชำระร่างกายเรียบร้อยแล้วภิกษุหนุ่มจึงไหว้พระสวดมนต์และที่จะลืมซิไม่ได้ก็คือคาถาการณียะเมตสูตรซึ่งท่านได้รับอนิสงฆ์มากมายสุดจพานานาสวดมนต์เสร็จท่านก็จำวัดและหลับสนิทอย่างรวดเร็วด้วยเหน็ดเหนื่อยกับการนั่งรถมาทั้งวัน ประมาณตีหนึ่งพระหนุ่มก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงทุบประตูปังปังหลวงพี่เปิดประตูหน่อยครับเป็นเสียงผู้ชายตะโกนเข้ามาใครมิธุระอะไรท่านถามออกไปรู้สึกรำคาญที่ถูกรบกวนในยามวิการผมจ้อยครับหลวงพี่เปิดประตูหน่อยเสียงในจ้อยน้องชายในจำรัดนั่นเอง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 จ่างเป็นพระที่เคร่งวินัยดีเหลือเกินหลวงพี่ช่วยแม่ยายผมหน่อยแกถูกผีเข้าช่วยไปไล่ผีให้แกหน่อยโยมเผานะหรือเองจะช่วยแกทําไมก็ไหนเอ็นว่าอยากให้แกตายตายไปเสียท่านสับพยอกถึงจะเป็นพระอยู่ในวัดก็ยังรู้เรื่องของครือหัดนอกวัดรู้ว่าในจ้อย มีเรื่องละหองระแหงกับแม่ยายในจำรัดเคยมาเล่าให้ฟังผมยังไม่อยากให้แกตายตอนนี้ครับแกยังไม่ได้เซ็นชื่อยกนาให้เมียผมยอดลูกเขยว่าอออนี่เองห่วงสมบัติหรือห่วงลูกด้วยหลวงพี่ลูกสาวคนเล็กผมติดแกยังกาตังเม ไว้ลูกโตไม่ต้องพึ่งแก่ค่อยแช่งให้แกตายเร็วๆแต่ตอนนี้หลวงพี่ต้องไปช่วยไลผ่ผีให้แก่ก่อนพระเจริญนึกหมันไส้น้องชายเพื่อนครั้นนึกถึงตัวเองว่าหากเป็นขรือหัดและมีครอบครัวก็คงจะเกลียดแม่ยายเช่นกันขึ้นชื่อว่าแม่ยายกับลูกเขยหรือพ่อผัวกับลูกสะภ้ายยากนักที่ จะรักใกรปลองดองกันพระภิกษุกับคฤหรืหัดเดินทางจากวัดพลมบุรีมาถึงบ้านในจ้อยได้เวลาประมาณ20สิบนาทีผู้คนพากันมาเต็มบ้านนั่งล้อมวงดูนางเผาซึ่งนอนหลับตาพูดลงเล้งลงเล้งอยู่กลางเรือนภรรยาในจ้อยรีบหาเสือมาปูให้พระเจริญนั่งท่านนั่งลงแล้ว ทุกคนในที่นั้นก็พากันกราบท่านสามครั้งหลวงพี่ช่วยแม่ฉันด้วยเถิจ้ะลูกสาวนงางเผาอ้อนบอนใบหน้ายังมีคราบน้ำตาติดแสดงว่าเพิ่งผ่านการร้องไห้มาหยกๆยกโยมเผาแกเป็นอะไรไปท่านถามภรรยาในจ้อยไม่ทราบจ้ะฉันนอนหลับอยู่ดีๆ ก็ได้ยินเสียงพูดลงเล้งลงเล้งอยู่คนเดียวพอเดินออกมาดูก็เห็นแม่แกเดินงุ่นง่านอยู่กลางเรือนฉันพูดด้วยแกก็ไม่พูดเพราะฉันจุดตะเกียงมาดูก็พบว่าแกหลับตาตอนแรกนึกว่าแกละเมอฉันกับทิดจ้อยเข้าไปจับตัวแกแกก็ล้มผึงลงนอนหลับตาอย่างที่หลวงพี่เห็นนี่ละจะ๊ะนางบวงเงินเล่า สงสัยถูกผีเจ็กเข้าพูดแบบนี้เป็นภาษาจีนชัดๆใครคนหนึ่งออกความเห็นมีใครพอจะรู้ภาษาจีนบ้างพระเจริญถามตัวท่านแม้จะมีเชื้อจีนเพราะโยมตาเป็นคนจีนแต่ท่านก็พูดไม่ได้ฟังก็ไม่เข้าใจผมว่าไปตามเหยดจูดมาดีกว่า แกพูดจีนเก่งทั้งจีนกลางจีนตาจิ๋วจีนหายหลวมในจำรัดว่าจีนหายหลัาตังหากไม่ใช่จีนหายหลวมเสียงใครคนหนึ่งแยง้งเออหนะมันก็หายเดียวกันนั่นแหละแต่ข้าชอบเรียกหายหลังเพราะหายแรกฟังดูแล้วมันเสียวๆพิกล พี่ชายในจ้อยให้เหตุผลอย่ามัวเถียงกันใครลองไปตามโยมจูดมาสิจะได้รู้ว่าผีที่มาเข้าเป็นใครมาจากไหนครูใหญ่ตะแปะหลิงเจียหรือที่ใครๆเรียกว่าเหียจูดก็มาถึงเขากราบพระเจริญสามครั้งและจึงถามขึ้นหลวงพี่เรียกผมมาทำไมเหรอครับ จะให้ช่วยเป็นล่ามถามผีหน่อยต้องขออภัยที่ให้ไปตามมากลางดึกอาตามาก็เพิ่งหลับไปได้ชั่วโมงเศษ เ, เท่านั้นท่านออกตัวไม่เป็นไรครับผีอยู่ที่ไหนหรอครับหลวงพี่ท่านชี้ไปที่ร่างที่นอนอยู่กลางห้องซึ่งบัดนี้หยุดส่งเสียงแล้วหลวงพี่ทราบได้ยังไงครับว่าผีเข้าใยเผาย เขาถามอาตมาดาวเอาหนะโยมลองถามดูซิว่าเป็นใครมาจากไหนตะแปะเล่นเจียส่งภาษาจีนถามผีตอบคำถามหากไม่มีผู้ใดฟังรู้เรื่อง นอกจากเหตดจูดเพียงผู้เดียวผีบอกว่าแกชื่อตะแปะเหลงห้วยครับหลวงพี่แกถามว่าหลวงพี่จำไม่ได้แล้วหรือที่แกผูกคอตายใต้ต้นแมงเมาเมื่อปีที่แล้วอ๋อลื้อเองหรอกรึแล้วลื้อมาเข้าใยเผาทำไมพระเจริญถามตะแปะเล่นเจียทำหน้าที่แปลให้ผีฟัง อ้วจะมาบอกลือให้ไปบอกอาเจียหลานสาวอ้วว่าไม่ต้องทำบุญไปให้อ้วเพราะอ้วไม่ได้รับถ้าอยากให้อ้วได้รับอีต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานตะแปะเลิงห้วยในร่างของนางเผาต่อแล้วการสนทนาระหว่างพระเจริญกับผีตะแปะก็ดำเนินไปโดยมีเฮียจูดเป็นล่าม แล้วลือผูกคอตายทําไมใครทําให้ลือเจ็บใจหรืออ้วน้อยใจอาเจียหลานสาวอ้วที่ไม่ให้เงินซื้อฝิ่นสูบว่าติดฟินต้องสูบวันละห้าบาทหรือเอาไปสอนญาติโยมด้วยว่าอย่าทําให้อ้วอัวตายไปด้วยโทสะจึงน่าเกลียดตาปลิ้นลิ้นแหลบยาวตั้งคืบถ้าตาย เพราะหมดกรรมก็ไม่น่าเกลียดอย่างนั้นและตอนนี้ลืออยู่ที่ไหนอยู่ในนรกอ้วตกนรกนรกอยู่ที่ไหนพระเจริญถามอยากรู้เรื่องนรกมานานแล้วก็อยู่เทอแถวนี้แหละอ้วเห็นลือออกไปบินทบาททุกวันพูดกับลือลือก็ไม่ยอมพูดด้วย ตาแป้ต่อว่าต่อขานพระเจริญจึงจได้ความรู้ข้อหนึ่งว่าเมืองนรกกับเมืองมนุษย์ก็อยู่ใกล้ๆกันนี่เองแต่เป็นคนละพบคนละภูมิแล้วเลือกกินอาหารที่ไหนก็หากินตามกองขยะของดีๆกินไม่ได้เพราะไม่เคยทำไว้คนที่ไม่เคยทำบุญให้ทานตายไปจะอดอยาก ต้องกินตามกองขยะแม้ปฏิกูลน่าเกลียดมีนอนขึ้นเต็มไปหมดก็ต้องกินประทังความหิวหรืออยู่กับใครมีเพื่อนหรือเปล่าว่าอยู่กับห่วยเสียเท่าชื่อมดแกเคยเป็นสมภารวัดกลางพรมนครแต่ได้ผูกคอตายเมื่อห้าสิบปีที่แล้วผีตอบ ห่วยเสียดเท่าแปลว่าสมผานทำไมท่านถึงผูกคอตายท่านเสียใจที่ถูกทายกยกักยอกเงินวัดไปใช้ญาติโยมเข้ามาบริจาคเงินเพื่อสร้างโบสถ์แต่ทายกเอาไปใช้หมดพอเข้ามาทวงค่าโบสถ์ท่านก็ไม่มีให้เขาเลยผูกคอตายแบบนี้ลือก็ต้องตายไปตกนรก ดูซิมาทำให้พระสงฆ์องค์ข้เจ้าต้องผูกคอตายเสียงใครคนหนึ่งสาบแช่งทาไมสมภารมดเป็นพระแท้แต่กลับไปผูกคอตายพระเจริญซักไซผีตะแปะเพราะท่านไม่เคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงถูกอวิชชาเข้าครอบงำถ้าเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนปัญญาเห็นแจ้งความเป็นจริงก็จะไม่ทาเช่นนั้น ผีอธิบายรู้สึกว่าหรือจะรู้อะไรหลายอย่างจากเมืองนรกมากเหมือนกันนะอวกก็มารู้ตอนที่ตกนรกนี่แหละตอนมีชีวิตอยู่ไม่รู้อะไรเลยวันๆได้แต่สูบฟินกับตักน้ำให้อาเจียใชย้เขาเรียกว่ามีชีวิตอยู่บนความประมาทคนทุกวันนี้ชอบตั้งอยู่ในความประมาทเหมือนกันหมด ถึงพวกพระก็เถอะบวชมานั่งกินนอนกินตายไปไม่ตกนรกก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตคนเป็นพระสะดุ้งและถามต่อหรือทำอะไรในเมืองนรกเขาใช้อ้วขุดดินทั้งวันและก็ยังทำโทษอย่างสาหัสสากัรอัวถูกเขาเคี่ยนจนขาขาดเจ็บปวดรวดร้าวเลอเกินพอขาขาดได้สักประเดี๋ยวมันก็มาต่อการใหม่ ให้เขาเคียนอีกก็เป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันยกเว้นวันโกนกับวันพระห้วยเสียเท่ามดก็ถูกทำโทษแบบเดียวกันทำไมยกเว้นวันโกนวันพระเพราะมีพระมาลัยมาเทศโปรดพวกนรกจะได้ไปรับการปลดปล่อยให้มาฟังเทศและก็มาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน พระเจริญเคยฟังเรื่องราวของพระมาลาัยจัดโยมยายสมัยเมื่อท่านเป็นเด็กจึงค่อนข้างแน่ใจว่าสิ่งที่ตะแปะเลงห้วยเล่าเป็นเรื่องจริงพระมาลาัยเป็นใครพระนุมต้องการทดสอบผีตะแปะท่านเป็นพระอรหันตตะขีนาศเป็นฉายาไม่ใช่ชื่อเฉพาะพระอรหันต์ที่ไปเทศโปรดสัตว์นรก จะเรียกว่าพระมาลัยจึงมีพระมาลัยหลายองค์นี่เป็นความรู้ใหม่ที่ภิกษุหนุ่มได้รับนอกเหนือไปจากที่โยมยายเล่าให้ฟังแล้วลือมาที่นี่ได้ยังไงท่านถามอีกอ้วหนีเข้ามาเห็นจะต้องรีบกลับแล้วอย่าลืมบอกอาเจียหลานสาวอ้วด้วยว่าไม่ต้องทำบุญไปให้อิททำบุญ บุญก็เป็นของอีคนเดียวอัวไม่ได้รับถ้าต้องการให้อัวได้รับจะต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานอัวขอกราบลาท่านไปก่อนร่างที่นอนอยู่ลุกขึ้นนั่งแล้วกราบพระนมสามครั้งจากนั้นก็ลงนอนเงียบกริบไม่พูดไม่จาผีออกแล้วใครช่วยไปหยิบอย่าดมมาหน่อย นายจำรัดออกคำสั่งนางบัวเงินรีบ้นที่เช่นหมากของมารดาหยิบถ้ำยาดมส่งให้พี่ชายของสามีเอายาให้ดมประเดี๋ยวก็ฟื้นพระเจริญบอกผีรายนี้ท่านไม่ต้องใช้คาถากรณียเมตสูตรประมาณ20สิบนาทีนางเพาก็ลืมตา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 ยมมภาวเจี๊ปปึ้งแปลว่าอะไรพระนมถามไม่รู้จ้ะฉันพูดจีนไม่เป็นแกตอบพระเจริญเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าผีตะแปะเหลงห้วยมาเข้าเยีพาวจิง เมื่อผีออกเรียบร้อยโดยไม่ต้องไล่บรรดาไทยมงทั้งหลายก็แยกย้ายกันกลับเรือนตนในจ้อยเตรียมตัวมาส่งพระเจริญแต่ท่านห้ามไว้ไม่ต้องส่งข้ากลับเองได้ไฟฉายข้าก็เอามาด้วยขอบคุณหลวงพี่มากที่มาช่วยเขากราบท่านสามครั้งแล้วหันไปขอบคุณตะแปะเล่งเจีย เฮีย er, ขอบคุณมากนะครับถ้าไม่ได้เฮียพวกเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่เป็นไรแต่ว่าเฮียต้องขอให้ช่วยไปส่งด้วยกลัวผีตะแปะเหลงห้วยเฮีย er จูดสารภาพนั่นเองกับข้าไปส่งเฮียด้วยกันนายจำรัด บ, บอกน้องชายเขาเองก็กลัวเหมือนกันพราะเจริญเดินกลับวัดแต่เพียงผู้เดียว ท่านนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อแน่ว่าโยมเผาไม่ได้หลอกชาวบ้านท่านได้ทดสอบดูแล้วแกไม่รู้ภาษาจีนเอาเสียเลยคำว่าเจี๊ย ป, ปึ้งก็ยังไม่รู้ภาพโยมเผาที่นุ่งจงกระเบนใส่เสื้อคอกระเช้าแถมกินหมากปากเปลิอออกอย่างนั้นไม่มีวี่แววว่าจะเป็นคนจีนได้เลย ผีตะแปะเหลงหวยคงมาเข้าแก่จริงไม่ต้องสงสัยบ่ายวันรุ่งขึ้นพระเจริญเดินทางไปบ้านโยมยายที่ตลาดปากบางเพื่อสอบถามเรื่องสมพารมดตะแปะเหลงหวยบอกว่าหวยเสียเท่ามดได้ผูกคอตายเมื่อห้าสิปีที่แล้วตอนนั้นโยมยายก็อายุเราสี่สิบคงจะรู้เรื่องนี้บ้าง โยมยายรู้จักสมพานมดวัดกลางพรมนครหรือเปล่าท่านถามโยมจางนึกอยู่ประเดี๋ยวหนึง่งจึงตอบว่าท่านมรณาภาพไปร่วมห้าสิบปีแล้วท่านถามทำไมหรือแทนคำตอบพระหลานชายกลับถามอีกว่าท่านเป็นอะไรถึงมรณาภาพโยมไม่อยากพูดถึงเลยเพราะน่าสงสารท่าน เป็นพระเป็นเจ้าไม่น่าผูกคอตายท่านถูกทา ย, ยกโกเงินสร้างโบสถ์เลยต้องผูกคอตายไปที่ชอบที่ชอบเถนะท่านสมภารโยมยายจางยกมือท่วมศีรษะเมื่อพูดประโยกลังพระเจริญอยู่คุยกับโยมยายอีกพักใหญ่ๆจึงเออยลาครั้นเดินทางมาถึงวัดแทนที่จะตรงไปยังกุติท่านกลับไปที่ศาลาซึ่ง